นะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตสสะนะโมตัสสะพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตสสะนะโมตัสสะพะ a วาโตอะระหะโตสัมมาสัมบุตสสะสัตตุที่จักตตันยุตา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 คือพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงว่าอะไรบ้างที่เป็นมงคลซึ่งส่วนที่อัตมาภาพได้ยกนํามาแสดงไว้ก็แปลความได้ว่าสันตุถีคือความสันโดษหนึ่งกตันยูห่งเหล่านี้เป็นมงคลอันสูงสุดอันหนึ่งมงคลคือความกตันยูนั้น อัตมาภาพก็ได้แสดงแจกแจงไว้แล้วเมื่อคราวก่อนและจบลงตรงที่ยังไม่ได้พูดถึงมงคลคือสันตุถีวันนี้ก็จะขอใช้โอกาสแห่งการฟังธรรมนี้ได้แสดงอีกหัวข้อธรรมอันเป็นมงคลยิ่งคือสันตุถีให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันเมื่อพูดถึงคำว่ามงคลหลายๆท่านก็คงจะนึกไปต่างกัน บางท่านอาจจะนึกถึงงานพิธีที่เป็นมงคลมีงานเจริญพระพุทธมนต์เป็นต้นหรือบางคนก็อาจจะนึกถึงวัตถุสิ่งของต่างๆที่เป็นมงคลคำถามว่าอะไรกันแน่คือมงคลนี้ก็เคยมีมาแล้วและเป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างพระอัตกราจารย์ก็ได้พรรณนาความเป็นมาของเรื่องราวนี้ไว้ว่า ครั้งก่อนในการตรัสรู้ก็มีหมู่ชนมาชุมนุมกันแล้วเกิดมีคาถามว่าอะไรคือมงคลชายผู้หนึ่งชื่อว่าทิฏฐมังคลิกะก็ได้เสนอความเห็นของตนว่ารูปหรือสิ่งต่างๆที่ได้เห็นแล้วเช่นนกแอนลมบ้างหญิงท้องบ้างพวกเด็กตี้ประดับประดาแล้วบ้างเป็นต้นเหล่านี้นั้น เป็นมงคลหลังจากนั้นนายสุตามังคลิกะก็แย้งขึ้นว่าจากสุเห็นรูปนั้นบางครั้งก็เห็นสิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างถ้ารูปที่เห็นทั้งหมดเป็นมงคลแล้วไซสิ่งที่เห็นก็จะเป็นมงคลไปทั้งหมดซึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเสียงที่ได้ยินมีเสียงว่าจเจริญแล้วบ้างจเจริญอยู่บ้าง วันนี้เลิกดียามดีบ้างเหล่านี้เป็นต้นต่างหากจึงเป็นมงคลส่วนนายมุตตังคลิกะก็ได้แย้งความเห็นของนายสุตามคลิกะขึ้นว่าเสียงที่ได้ยินนั้นบางครั้งก็ได้ยินเสียงที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างถ้าเสียงที่ได้ยินเป็นมงคลแล้วเสียงทั้งหมดก็จะเป็นมงคลซึ่งไม่ใช่อย่างนั้น อารมณ์อันน่าพอใจที่รับรู้จากกลิ่นรสสัมผัสมีดมกลิ่นหอมเขียวไม้ชําระฟันภัสสะที่ได้จากการนุ่งห่มผ้าขาวผูกผ้าขาวเป็นต้นเหล่านี้ต่างหากจึงเป็นมงคลซึ่งความเห็นในที่ประชุมนั้นก็ไม่เป็นเอกฉันแต่กันเป็นพวกเป็นพวกคือพวกที่ว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลหนึ่ง พวกที่ว่าเสียงที่ได้ยินแล้วเป็นมงคลหนึ่งพวกที่ว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคลหนึ่งและพวกที่ยังไม่ลงใจกับทั้งสามความเห็นนั้น1ความเห็นที่ไม่ลงกันนี้ก็ได้แผ่ขยายไปทั่วชมพูทวีปตลอดจนหมู่เทวดาและพรหมเป็นเวลายาวนานถึง12ปี จนหมู่เทวดาได้พากันไปเข้าเฝ้าเท้าส ก, กัดเทวราชเพื่อขอให้ทรงวินิจฉัยปัญหานี้เท้าส ก, กัดจึงได้ตรัสถามเรื่องราวความเป็นมาแต่ต้นและตรัสถามในท้ายสุดว่าพระพุทธเจ้าประทับณที่ใดเมื่อทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันก็จึงทรงพาหมู่เทวดาไปเข้าเฝ้ากราบทูลถาม ให้ทรงเป็นผู้วินิจฉัยมงคลปัญหานี้ครั้นเมื่อส่งพยากรณ์ก็ได้ส่งภาษิตพระคาถาแสดงว่าอะไรบ้างเป็นมงคลซึ่งก็นับได้38ประการมีการไม่คบคนพ่านหนึ่งการครบบัณฑิตหนึ่งเป็นต้นแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องมงคลต่อไปอธรมาภาพก็อยากจะถามคำถามสักข้อกับท่านสาธุชนทั้งหลายก่อน ส่วนเรื่องที่อยากจะถามนั้นก็คือเป้าหมายในชีวิตของท่านทั้งหลายคืออะไรแน่นอนว่าแต่ละท่านคงจะมีไม่เหมือนกันสำหรับเด็กๆส่วนมากก็คงจะคิดว่าต้องเรียนให้ได้ดีจะได้จบมาแล้วมีงานที่ดีส่วนคนวัยทำงานส่วนมากก็คงมีเป้าหมายคืองานที่ดีสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเป็นต้น ซึ่งถ้าจะแจกแจงแยกย่อยให้ละเอียดลงไปคงจะมีมากมายจนนำมาพูดได้ไม่หมดแต่ทั้งนี้ถ้าจะให้รวบสรุปเป้าหมายของแต่ละคนแต่ละคนคงจะมีจุดร่วมเป็นอันเดียวกันนั่นก็คือความสุขและชีวิตของท่านทั้งหลายตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างมีสัดส่วนของความสุขและความทุกข์เป็นเท่าไหร่แต่ธรรมภาพเชื่อมั่นเหลือเกินว่า คงไม่มีคนใดที่มีสัดส่วนของความทุกข์ในชีวิตเป็นศูนย์ตัวมากแล้วเรามักจะมุ่งเน้นแต่ว่าเราจะหาความสุขแบบไหนยังไงหรือจะพูดอีกแง่หนึ่งก็คือเราศึกษาแต่เฉพาะฝ่ายความสุขแต่ถ้าสัดส่วนของความทุกข์ยังมีอยู่ในชีวิตของเราเราก็จําเป็นต้องมาศึกษาฝ่ายของความทุกข์ไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้มีศักยภาพที่จะบริหารจัดการกับความทุกข์ได้ดีและมีสัดส่วนความทุกข์ในชีวิตที่ค่อยๆลดลงเปรียบเหมือนผู้บริหารงานที่ดีนอกจากจะรู้ว่าเราจะทำอะไรให้งานออกมาดีแล้วก็จำเป็นต้องรู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคของการทำงานให้ได้ดีด้วยเมื่อรู้จักปัญหาและแก้ไขเหตุที่จะเกิดปัญหาได้ ผลรวมของงานที่ได้ก็จะดีขึ้นฉะนั้นถ้าพูดถึงเป้าหมายที่ว่าแต่ละคนแต่ละคนก็อยากที่จะมีความสุขดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับความทุกข์ก็เป็นเรื่องจำเป็นเช่นกันและบุคคลเอกที่แสดงสัจจะคือความจริงเรื่องทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับของทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นก็คือ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั่นเองและเป้าหมายที่ทรงวางไว้ในพระศาสนานี้ก็คือการทำที่สุดแห่งทุกข์พอพูดถึงที่สุดแห่งทุกข์หลายท่านก็คงยังมีความรู้สึกไม่กระจ่างกับสำนวนนี้สักเท่าไหร่รู้แต่ว่าดีเท่านั้นเองฉะนั้นก็ขอทาภาพที่สุดแห่งทุกข์ให้ชัดเจนสักหน่อยก่อน ที่ท่านใช้สัมนวนว่าที่สุดทุกนั้นเป็นการเปรียบเปรยเปรียบเทียบความทุกข์ว่าเสมือนมีเขตแดนถ้าเป็นบ้านที่สุดของบ้านเราก็คือรั้วถ้าเป็นแผ่นดินที่สุดของแผ่นดินก็คือรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลมหาสมุทรทีนี้ถ้าเราออกจากแผ่นดินไปสู่มหาสมุทรก็ขึ้นชื่อว่าเราข้ามพ้นส่วนที่สุดของแผ่นดินมา อุปมานี้ฉันใดความทุกข์ก็ฉันนั้นถ้าเราข้ามเขตที่สุดทุกมาได้เราก็จะไม่เจอความทุกข์อีกซึ่งเป็นเหมือนเขตแดนผืนใหม่ที่ไร้ซึ่งความทุกข์แต่ทางที่จะลงทะเลมหาสมุทรนั้นเราก็เลือกที่จะลงได้หลายทางแต่สำหรับทางที่จะไปสู่ที่สุดทุกนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า มีทางแค่เส้นเดียวเท่านั้นที่จะไปถึงและทางเส้นเดียวที่ว่านั้นท่านก็ให้ชื่อว่าอริยะอัตถังขิกะมักหรือที่เราชอบเรียกกันสั้นๆว่ามักแปนั่นเองอัตมาได้พาทุกท่านแวะออกนอกเส้นทางของมงคลไปพอสมควรก็จะขอวกกลับมาสู่ทางหลักผ่านแยกที่จะไปดูความหมายจริงๆของคาว่ามงคลกัน ซึ่งความหมายของคำว่ามงคลก็มีสมความหมายด้วยกันคือเหตุให้ถึงความเจริญหนึ่งเหตุเป็นเครื่องถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเหตุที่ตัดบาปหนึ่งถ้าดูจากทั้งสความหมายนี้แล้วทิฏฐิหรือความเห็นที่ว่าอะไรเป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ได้ยินแล้วหรืออารมณ์ที่ทราบแล้วเหล่านี้ ก็ยังไม่ใช่มงคลที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นเหตุให้ถึงความเจริญโดยส่วนเดียวยังไม่เป็นเหตุให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงและยังไม่เป็นเหตุให้ตัดบาปลงเสียได้ทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไม่ว่าจะเป็นการไม่คบคนพาลหรือการครบบัณฑิตเป็นต้นเหล่านี้ ล้วนเป็นเหตุให้ถึงความเจริญความบริสุทธิ์เป็นเหตุให้ตัดบาปอากุศลเมื่อพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอย้อนกลับไปที่มงคลคาถาที่ได้ยกไว้เป็นนิเคป บ, บทคือสันตุถีหรือที่เราคุ้นเคยในความหมายว่าสันโดษโดยปกติทั่วไปแล้วความรู้สึกของญาติโยมทั้งหลายที่มีต่อคำว่าสันโดษอาจจะดูกลางๆง หรือไม่ก็ค่อนไปทางลบเล็กน้อยถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะเราชอบจะใช้คำว่าสันโดษคู่กับคำไทยว่ามักน้อยเวลาใช้ก็มักจะพูดต่อกันเป็นมักน้อยสันโดษซึ่งทำให้ความหมายของคาว่าสันโดษโดนเบีเ่ยงเบนไปเป็นความหมายของมักน้อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของคำว่าสันโดษเลย เมื่อใช้คู่กับมักน้อยก็จึงทำให้เห็นว่าธรรมะข้อนี้เวลานำไปประพฤติปฏิบัติจริงๆก็เหมาะกับสมณเพศเท่านั้นยังไม่เหมาะสมกับคฤหัสถ์ที่จะนำไปใช้หรือถ้าฆราวาดคนไหนนำธรรมะคือสันโดษไปใช้ก็จะจัดเป็นบุคคลประเภทที่ไม่หวังความก้าวหน้าในชีวิตชีวิตดูจืดชืดไม่มีสีสัน ความเจริญก้าวหน้าในการงานไม่ได้อันที่จริงแล้วสันตุตีคือความสันโดษเป็นหนึ่งใน38มงคลที่พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้ซึ่งอัตมาก็อยากจะย้ำความหมายของคำว่ามงคลอีกสักครั้งหนึ่งนั่นก็คือเหตุให้ถึงความเจริญเหตุเป็นเครื่องถึงความบริสุทธิ์เหตุที่ตัดบาปเพราะฉะนั้นความรู้สึกของใครหลายๆคนที่มีต่อสันโดษ ที่ยังไม่ตรงต่อความเป็นธรรมะที่เป็นเหตุให้ถึงความเจริญความบริสุทธิ์เป็นเครื่องตัดบาปอากุศลนั้นอาตมาภาพก็อยากที่จะใช้โอกาสเวลาที่มีนี้นำภาพจริงของสันตุถีคือความสันโดษมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันคำว่าสันตุถีเป็นคำบาลีมีรางศัพท์มาจากตุสธาตุในความราเริงยินดี แต่พอใช้เป็นคำไทยเราก็แปลงจากสันทุถีเป็นสันโดษซึ่งยังไม่ได้ความหมายดั้งเดิมของศัพท์เลยฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่พูดถึงศัพท์ว่าสันตุตถีหรือสันโดษก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าใจไปถึงแก่นของคำศัพท์จริงๆคือร่าเริงยินดีแต่พอนึกถึงคำว่าร่าเริงยินดีบางท่านอาจจะนึกถึงใบหน้าที่มีรอยยิ้ม หรือการหัวเราะเบิกบานเป็นต้นแต่แท้จริงแล้วอาการยิ้มหรือหัวเราะเหล่านี้เป็นเพียงอาการภายนอกเท่านั้นอย่างไม่ใช่สันตุถีที่แท้สันตุถีที่แท้นั้นจะปรากฏเป็นอาการของจิตที่ยินดีร่าเริงคือไม่ขุนมัวเมื่อจิตเป็นจิตที่ร่าเริงไม่ขุนมัวก็สามารถแสดงหรือไม่แสดงอาการ ออกมาทางสีหน้าท่าทางก็ได้สรุปว่าสันตุถีคืออาการของจิตที่มีอาการยินดีร่าเริงไม่ขุนมัวส่วนคำว่ามักน้อยที่เราชอบใช้คู่กับคำว่าสันโดษก็มาจากศัพท์ภาษาบาลีที่ว่าอปิชตาซึ่งก็ประกอบไปด้วยศัพท์สองตัวคืออปะที่แปลว่าน้อย และอิชตาแปลว่าผู้มีความปรารถนารวมความหมายก็จึงได้ว่าความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในสันเลขธรรมคือธรรมที่เป็นเครื่องขูดเกากิเลสอย่างยิ่งตรงกันข้ามกับคำว่ามหิชิชตาที่แปลว่าความเป็นผู้มีความปรารถนามากซึ่งเป็นธรรมฝ่ายกิเลสคือเป็นธรรมในฝ่ายที่กวนละ ฉะนั้นธรรมะคือสันตุถีความสันโดษก็ดีอภิชาตาความมักน้อยก็ดีทั้งสองล้วนเป็นธรรมะในฝ่ายมักคือเป็นธรรมที่เราต้องทําให้เจริญขึ้นและเมื่อธรรมะทั้งสองนี้เจริญขึ้นจะมีผลยังไงกับเราท่านทั้งหลายกันบ้างอาตมาจะค่อยๆแจกแจงให้ได้รับฟังกันก่อนที่จะพูดถึงกระบวนการทํางาน และผลของสันตุถีก็จะขอทําความเข้าใจกับศัพท์สองคำนี้ก่อน2คําที่ว่านี้ก็คือเป้าหมายกับความหวังซึ่งถ้าดูเผลอๆก็อาจจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันและในบางครั้งเป้าหมายและความหวังก็อาจเป็นสิ่งเดียวกันอันหนึ่งบ่อยครั้งที่เรามักจะได้รับการสอน หรือบอกให้มีความหวังอย่างว่ลีที่ว่าชีวิตไม่สิ้นหวังจงก้าวต่อไปหรือสู้ต่อไปหรือตราบเท่าที่ยังมีหวังเราจะไม่ทออะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วเรากำลังใช้คำว่าความหวังในความหมายของคำว่าเป้าหมายพูดแบบนี้แล้วหลายๆท่านอาจจะนึกอยู่ในใจว่า ทำไมอาตมาจึงต้องให้มันดูยุ่งยากที่ต้องทําให้มันยุ่งยากนั้นก็เพราะว่าเมื่อเราเข้าใจความชัดเจนของเป้าหมายและความหวังหรือคาดหวังได้อย่างดีแล้วเราจะมีวิธีที่บริหารจัดการความสุขและความทุกข์ในชีวิตได้ดีขึ้นกว่าเดิมจากที่กล่าวมาแล้วว่าธรรมาก็มีทั้งส่วนที่ต้องละและส่วนที่ต้องทําให้เจริญ เมื่อจัดเป้าหมายและความคาดหวังลงในหมวดธรรม2 ส, ส่วนนี้เราก็จะได้ว่าเป้าหมายจัดอยู่ในส่วนของมารคคือส่วนที่เราจะต้องทําให้เจริญขึ้นส่วนความคาดหวังก็จัดอยู่ในฝ่ายธรรมที่ต้องละพูดแบบนี้แล้วบางท่านอาจจะมีความรู้สึกค้านขึ้นมาในใจแต่ก็ขอให้ทําความสงบใจก่อนแล้วใคร่ครวญตามสิ่งที่อัรรมภาพ กำลังจะนำเสนอดูการทำงานก็ดีหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนต้องตั้งเป้าหมายไว้เสมอฉะนั้นความหมายอย่างง่ายๆของเป้าหมายก็คือสิ่งที่เราคิดจะทำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในเวลาพักเราก็คิดจะไปทานอาหารฉะนั้นการทานอาหารก็คือเป้าหมายของเรา ฉะนั้นการเลือกว่าจะกินอะไรไปกินที่ร้านไหนแล้วจะเดินทางไปยังไงต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เหล่านี้เป็นวิธีการที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายคือการรับประทานอาหารและผลที่เรารู้อยู่แล้วจากการที่เราบรรลุเป้าหมายนี้ก็คือความอิ่มความสุข ก, กายที่จะได้รับ ซึ่งตัวอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายที่เรามีในแต่ละวันของเราซึ่งถ้าเรามองเป้าหมายในด้านเดียวคือเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานก็ดูจะแคบเกินไปสำหรับความหมายจริงๆของคำว่าเป้าหมายฉะนั้นเป้าหมายนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนจะเป็นต้องมีไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะดูไม่ค่อยสำคัญหรือสำคัญมากต่ออนาคตไม่ว่าจะอยู่ในระยะสั้น หรือระยะยาวก็จะขอสรุปสั้นๆว่าเป้าหมายก็คือสิ่งที่เราคิดจะทำซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความหวังหรือความคาดหวังคำว่าหวังก็หมายถึงความต้องการความปรารถนาส่วนศัพท์ว่าคาดให้ความหมายถึงความไกลออกไปเป็นอนาคตรวมๆแล้วคำว่าคาดหวัง ก็มีความหมายว่าความอยากความปรถนาในผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและโดยปกติแล้วคนส่วนมากมักจะวางเป้าหมายและความคาดหวังไว้ที่จุดเดียวกันซึ่งการทําแบบนี้ก็เปรียบเหมือนบริษัทที่ไม่มีแผนกบริหารจัดการด้านความเสี่ยงทาไมจึงเปรียบเทียบแบบนั้นก็เพราะว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่เราจะทา ไม่ว่าจะมีกี่อย่างกี่อันก็ล้วนแล้วมุ่งไปสู่ยอดสุดของเป้าหมายหลักนั่นก็คือความสุขนั่นเองแต่ความคาดหวังนั้นเป็นสิ่งที่จะก่อผลตรงกันข้ามกับเป้าหมายคือความสุขที่เราวางไว้ถ้าไม่อาตมาจึงพูดว่าความหวังเป็นทุกข์จริงๆแล้วความหวังยังไม่ได้เป็นทุกข์แต่ผลจากการที่ไม่ได้ดังหวังนั้นต่างหาก ที่จะกลายเป็นความทุกข์และต้นตำรับนักแก้ทุกข์อย่างองค์พระศาสดาก็ได้ตรัสไว้แล้วว่ายำปิดช่างนลภาติตัมปิทุข้างแปลความว่าปรารถนาในสิ่งใดแล้วไม่ได้นี้ก็เป็นทุกข์ฉะนั้นจริงๆแล้วความหวังก็เป็นเหตุนำความทุกข์มาให้เราแต่ถ้าเรามีเป้าหมายวางเป้าหมายไว้ แต่ไม่มีความคาดหวังก็เปรียบได้กับที่บริษัทที่มีแผนกบริหารจัดการความเสี่ยงและทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพอธิบายให้ละเอียดลงไปอีกก็คือว่าการที่เรามีเป้าหมายนั้นใจของเราจะอยู่กับเหตุเหตุที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายแต่ถ้าเรามีความหวังวางไว้ด้วยใจเราจะเคลื่อนจากเหตุ ไปจดจ่ออยู่กับผลที่กำลังจะเกิดขึ้นและต้องเกิดให้ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ด้วยซึ่งถ้าเหตุปัจจัยที่เราได้ทําลงไปส่งผลให้สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถึงเป้าหมายส่วนต่างของผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่หวางไว้ความคาดหวังจะแปรส่วนต่างนี้ให้เป็นความทุกข์มาทับถมใจของเรา ตอนนี้หลายๆท่านอาจจะนึกภาพตามไม่ทันอาตมาก็จะขอยกตัวอย่างให้พอเห็นภาพคร่าวๆที่ชัดเจนขึ้นอย่างนักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ละคนก็จะวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นสาขานี้อันดับการเลือกก็1น3 4แบบนี้เป็นต้นเมื่อเลือกหรือตั้งเป้าหมายได้แล้ว ก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบหลังจากผลสอบได้ออกมาแล้วบางคนก็อาจจะได้ลำดับที่หนึ่งอย่างที่ตั้งเป้าไว้บางคนก็อาจจะได้ผลไม่ได้ตามหวังคือได้อันดับที่รองลงมาหรือบางคนอาจจะผิดหวังคือไม่ได้เลยซักอันดับอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วว่า ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนี้เป็นทุกข์แน่นอนว่าไม่เป็นการยากที่จะมีแต่เป้าหมายโดยที่ไม่ได้คาดหวังซึ่งถ้าสามารถทําได้ส่วนต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับความคาดหวังที่มีต่อเป้าหมายก็จะไม่มีและมันก็หมายถึงว่าเราไม่มีทุกข์จากความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้น แต่ก็เป็นธรรมดาของคนเราที่ยังไงก็อดที่จะมีความคาดหวังไม่ได้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงธรรมะสองข้อคืออภิชตาและสันตุถีเป็นธรรมะที่เราจะนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ในส่วนของปลายทางคือขณะที่ผลลัพธ์ที่ได้จากการกระทาของเรานั้นปรากฏแล้วและไม่ได้อย่างที่หวังไว สันตุถีจะเข้ามาทำหน้าที่จัดการกับส่วนต่างที่จะทำให้เราเป็นทุกข์จากรากศัพท์ของสันตุถีที่ได้เคยยกมาแสดงไว้แล้วคือตุวสาธาตาในความยินดีร่าเริงเมื่อมีสันตุถีเกิดขึ้นความยินดีในผลลัพธ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นจึงมีได้ถึงแม้จะไม่ได้ดังหวังซึ่งก็เปรียบเหมือนแต้มลบในใจแต่ก็มีสันตุถี คือความยินดีในผลที่เกิดขึ้นซึ่งความยินดีนี้ก็เปรียบได้กับแต้มบวกที่จะมาหักล้างกับแต้มลบจากความผิดหวังและถ้าสันตุถีคือความยินดีความร่าเริงมีกําลังมากพอความผิดหวังก็ไม่อาจจะมีกําลังสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจของเราได้เพราะใจเรามีคุณธรรมของสันตุถีคือความยินดีความร่าเริง เป็นคุณสมบัติของจิตจิตของเราก็ยังเป็นจิตที่ผ่องใสแช่มชื่นไม่เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อใดเราตั้งเป้าหมายไว้สูงเกินไปห่างไกลมากจากผลลัพธ์ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นแน่นอนว่าอำนาจของความผิดหวังก็จะมีกำลังมากพอที่จะฝ่าป้อมปราการของสันตุิถี เข้ามาทำร้ายใจของเราได้เช่นกันฉะนั้นกรณีนี้อภิชะตาก็คือผู้ช่วยคนสำคัญของสันตุถีถ้าเปรียบสันตุถีเป็นประตูเข้าตัวบ้านแล้วอภิชะตาก็เป็นประตูด่านแรกคือประตูรัว้วซึ่งหน้าที่ของกุณธรรมอปิชตาคือความมักน้อยนี้จะเข้าไปจัดการกับความคาดหวังโดยตรง แต่จะใช้วิธีละมุนละม่อมโดยการที่ไปลดเป้าหมายให้สอดคล้องกับศักยภาพของตัวเราเองเพราะการที่เราตั้งเป้าหมายไว้เกินกว่าศักยภาพของตนเองนั้นก็มาจากอํานาจฝ่ายกิเลสที่มีชื่อว่ามหิจชตาคือความมักมากความอยากที่เกินประมาณนี้นี่เองเมื่ออภิชะตาคือความมักน้อย เข้ามาจัดระเบียบจิตใจให้สอดคล้องกับความเป็นจริงจึงวางเป้าหมายลงไปในข่ายที่เราพอสามารถทำให้สําเร็จลุล่วงได้นี่จึงเป็นการลดทอนอำนาจฝ่ายลบอันเนื่องมาจากความคาดหวังลงและอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของสันตุถีคือความยินดีพอใจให้มีมากขึ้นก็คืออิปัตย์ มีสันทะวิริยาจิตตะและวิมังสาซึ่งขณะที่เรากำลังดำเนินไปสู่เป้าหมายนั้นอิธิบาท4นี้จะเป็นตัวดึงใจของเราให้ออกจากความหวังแล้วกลับมาสู่ณนะปัจจุบันใขณะกลับมาอยู่กับการมุ่งหน้าสร้างเหตุของความสำเร็จอยู่อย่างจดจอ่อใกล้ครวนและทำให้ได้อย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพตามเงื่อนไขที่มีณปัจจุบันและเมื่อผลลัพธ์สุดท้ายปรากฏให้เห็นแม้จะไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้แต่ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เราได้ทำภายใต้เงื่อนไขต่างๆอย่างเต็มศักยภาพของเราเองเมื่อทำถึงที่อย่างนี้สันตุถีก็คือความยินดีก็จะมีกำลัง เพราะจะไม่มีความรู้สึกเสียใจว่าเรายังไม่ได้ทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะไปแก้ตรงนั้นเพิ่มเติมตรงนี้อีกทั้งผลของอภิชาตาที่ทำให้เราตั้งเป้าหมายได้ใกล้เคียงกับศักยภาพตามความเป็นจริงของเราช่องว่างระยะห่างของความหวังกับผลลัพธ์จึงห่างกันไม่มากพอ ที่จะมีกำลังมาท่วมทับจิตใจ เ, าเราได้ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เรามีความมักน้อยคืออภิชาตาและความสันโดษคือสันตุถีประกอบกับอิทธิบาสสีที่เป็นเครื่องดำเนินจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างดีมีประสิทธิภาพอย่างมีความทุกข์ที่ลดน้อยและมีความสุขที่เพิ่มพูน ถ้าจะเปรียบเทียบการใช้คุณธรรมสันตุถีอปิชตาและอิทธิบาท4กับชีวิตปัจจุบันแล้วคงจะเหมือนกับการปีนเขาแน่นอนว่าเป้าหมายใหญ่สุดที่วางไว้ของเราคือยอดเขาแต่เราก็คงไม่สามารถจะก้าวทีเดียวขึ้นไปถึงยอดเขาได้ซึ่งคำนวณศักยภาพของเราแล้วก็คงไม่สามารถทาได้แน่นอน การที่เรามีอภิชาตาคือความมักน้อยนั้นอภิชาตาก็จะทำหน้าที่สร้างเป้าหมายหรือจุดพักระหว่างทางตามแรงตามกำลังที่เราสามารถจะเดินหรือปีนขึ้นไปได้วันนี้จะขึ้นไปตรงไหนจะใช้เวลากี่วันถึงจะขึ้นได้ถึงยอดเขาอิทธิปาส4ก็ทำหน้าที่คือ ดึงใจให้มาอยู่กับปัจจุบันแก้ไขปัญหาอุปสรรคมุ่งไปสู่อภิชาตาย่อยที่เราได้ตั้งไว้เมื่อหมดวันถึงเวลาพักสันตุถีก็ทำหน้าที่คืออิ่มเอมยินดีกับผลสำเร็จของวันผลสำเร็จที่เราได้มองย้อนกลับไปดูว่าเราได้ก้าวเดินมาไกลเท่าไหร่ความยินดีอิ่มเอม จากอำนาจสันตุถีจะเป็นกำลังใจให้เรามีแรงมีพลังที่จะมุ่งหน้าไปสู่อภิชตาย่อยๆที่ได้วางไว้ต่อๆไปเมื่ออภิชตาอิทธิบาทสและสันตุถีทำหน้าที่สอบประสานกันอย่างนี้ทุกๆย่างก้าวของเราก็จะเต็มไปด้วยความอิ่มเอมยินดีถึงมีทุกข์มีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ชีวิตของเราก็จะดําเนินไปถึงจุดหมายสุดท้ายที่เราวางไว้ในแบบที่มีสัสดส่วนความสุขที่มากกว่าความทุกข์อย่างแน่นอนส่วนบุคคลใดที่ไม่มีอภิชตาย่อยๆที่จะร้อยเรียงไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ความท้อแท้อ่อนแอก็จะมีในบุคคลนั้นจะเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะคิดจะทําอะไร เพราะมองอะไรๆก็ไม่เห็นทางที่จะทำให้สำเร็จได้ฉะนั้นสันตุถีก็จึงเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญโดยแท้อันหนึ่งที่ได้อธิบายมานี้ก็ยังไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยเวลามีจำกัดอัตมาภาพก็จะขอสรุปลงว่าวันนี้ได้กล่าวถึงมงคลคือเหตุนำมาซึ่งความเจริญโดยยกมงคลคือสันตุถีเป็นนิเขปบท และความหมายของสันตุถีนั้นก็คือความยินดีความพอใจยินดีในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเราหรือถ้าจะสรุปเป็นภาษาให้ฟังดูร่วมสมัยสักหน่อยก็คงใช้คำว่าพอหรือพอเพียงเป็นคุณธรรมที่เอาไว้แก้ทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังหรือมหิชตาและคุณธรรมที่เคียงคู่กับสันตุถี ที่จะขาดกันไม่ได้เลยนั่นก็คืออภิชตาหรือความมักน้อยอีกทั้งอิทธิบาต4ก็เป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องเชื่อมของคุณธรรมทั้งสองนั้นชีวิตก็จะดำเนินไปได้อย่างมั่นคงจากน้อยคือมีน้อยอย่างสมฐานะและให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีมากขึ้นก็ดำเนินในแบบฐานะที่มีมากขึ้น แล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นซึ่งคุณธรรมคือสันตุถีนี้นอกจากจะเป็นเหตุให้ถึงความเจริญในทางโลกแล้วก็มีผลที่สุดคือผลทางจิตใจด้วยเพราะเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์และขูดกลาวกิเลสมีมหิชะตาเป็นต้นเมื่อมหิชะตาคือความปรารถนามากถูกขูดกลาได้บ่อย ก็มีผลไปถึงรากเงาของมหิชตานั่นก็คือโลภะจิตนั่นเองเป็นนั้นว่าจิตใจเราก็จะเจริญงอกงามขึ้นด้วยโดยมีโลภะจิตที่จะค่อยๆลดลงเป็นเหตุให้ถึงความเจริญแม้ในชั้นโลกุตระเช่นกันที่ได้บรรยายธรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลง แต่เพียงเท่านี้เอวัง